สิ่งที่เลิกย่อมบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ได้ให้ทานอันเลิกสงได้ชื่อว่าเป็นนาบุญอันดีกว่านาบุญทั้งหลายในโลกผู้ปราถนาบุญกุศลอันประเสริฐบุญกุศลอันไพ่บุญบุญกุศลอันเต็มเมเต็มเต็มเต็มเใ็มเต็มเต็มเต็มเต็มมาสัมพุเต็มเต็มเต็มเต็่เเป็นชื่อของความสุขบุคคลเต้กระทมเต็มเต็มเต็มเมนตมาซึ่งตม บุญอันที่พวกเราทั้งหลายได้กระทาในวันนี้หรือการไหนไหนก็ตามในระยะเวลาที่ผ่านมาบุญนั้นจับตกเป็นของพวกเราประดุดดังเอาติดตามตัวไม่ว่าจะไปในที่ไห น, ไหนก็ตามบุญย่อมติดตามปกปักคุ้มครองรักษาตัวเราให้พ้นจากอันตรายพ้นจากความเดือดร้อนพ้นจากเวรภัยพ้นจากความทุกเนื่องด้วยชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายไม่ทราบวาลาแห่งชีวิตของตน ในความเป็นอยู่และความเป็นไปในภายภาคหน้าว่าชีวิตจะมีความเป็นอยู่และเป็นไปอย่างไรโดยเฉพาะชีวิตหลังความตายเมื่อชีวิตหลังความตายจะเป็นไปอย่างไรโดยที่เราไม่รู้พระเจ้าจึงสอนไว้ว่าบุญยังได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งสาหรับบุคคลผู้ลักชีวิตไปแล้วสู่โลกหน้าองค์ทรงตรัสไว้ว่าการเกิดได้ชื่อว่าเป็นความทุกข์ในบทธรรมที่ว่าชาติปีทุกขา เพราะการเกิดเป็นความทุกข์นั้นนั่นเองบุญอันที่เราได้ทําในโอกาสนี้หรือในโอกาสที่ผ่านมาจะคอยติดตามปกปักรักษาคุ้มครองและไปบรรเทาทุกข์ในภพชาติที่เราได้ไปเกิดการเกิดในภพชาตินี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าชีวิตมีความเป็นอยู่แบบทุกข์หรือสุขอย่างไรเราก็พอจะทราบได้เพราะเราผ่านวันผ่านคืนผ่านเดือนผ่านปีมาถึงขนาดนี้ทุกคนย่อม รู้จักคำว่าทุกข์และก็ประสบกับความทุกข์กันเป็นอย่างดีแต่เนื่องด้วยว่าพวกเราได้ทําบุญไว้ดีมาแต่ปางก่อนที่เรียกว่าปุเปกัตปุญญาตาบุญเหล่านั้นที่เคยได้ทําปางก่อนได้คอยช่วยบรรเทาทุกข์แก้ไขทุกข์หรือทําให้ชีวิตของเราผ่านห่วงแห่งความทุกข์มาได้และชีวิตเราก็สามารถก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบากต่างๆนาน า, นานประการมาจนถึงขนาดนี้ได้พระองค์จึง กำหนดบุญไว้ให้มนุษย์เป็นผู้ได้กระทาแล้วก็ในโอกาสแห่งดิทีขึ้นปีใหม่ที่พวกเราได้ปารกการทำบุญกุศลซึ่งได้ปารกการทำอยู่เป็นประจำก็ถือว่าได้สร้างสิ่งที่เป็นที่พึ่งสำหรับตัวเราทั้งภาวะชีวิตปัจจุบันในเวลานี้และชีวิตที่จะล่วงไปในอนาคตการหน้อาอัตมา ก็จะขอเอเมืองอให้กับพวกเราขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายสังฆทานด้วยพระตานหารทานบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานสังฆทานด้วยเครื่องธยาทานบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานด้วยปัจจัยสแด่โศกขอบุญทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จงรวมกันเป็นมหาเถรชานุภาพ ทำหนวยวยพรตอบสนองให้ญาติวงศทุกท่านจงเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันณะมีผิวพรรณของใสเจริญด้วยสุขะมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยพละมีกําลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตของพวกเราจงบรรดาลสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตหนุนนําจิตใจของพวกเราทุกคน ให้ก้าวล่วงความทุกข์ทั้งพวงก้าวล่วมความเดือดร้อนทั้งพวงก้าวล่ว ง, งเวรภัยทั้งพวงก้าวล่ว ง, งจันอันตรายทั้งพวงเข้าถึงแต่ความเจริญในปัจจุบันากาลและอนาคต ก, กาลเอทําบุญแล้วก็สบายใจเนาะมี คำถามข้อถามใดๆอยากจะถามหรืออยากจะเรียนรู้ศึกษาทางด้านหละคคำสอนในกลุ่มที่พวกเราได้มากันในวันนี้มีข้อถามอะไรจะถามไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อได้ให้ทานแล้วพึงเป็นผู้เข้าไปสู่การไต่ถามทรมแก่ภิกษุเพราะการไต่ถามทําจะนำไปสู่ประเด็นในการอธิบายและ การอธิบายธรรมะจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักทำคําสอนในศาสนาที่พวกเรายึดพึ่งยึดถือยึดปฏิบัติกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการไต่ถามธรรมะ <c oughs> พวกเราก็จะมีเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอน <c oughs> ข้อปฏิบัติใ ด, ดที่จะนําไปสู่การปฏิบัติภายในชีวิตตนเราก็จะไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลได้อาตมาจึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาทาบุญที่นี่ได้ถาม ค, ำคำําถาม หรือปัญหาอื่นๆก็ได้ปัญหาโลกก็ได้ปัญหาโลกก็คือปัญหาธรรมนั่นแหละเพราะธรรมมีไว้สอนโลก <c oughs> อะไรข้อโบส <c oughs> ของการเรียนรู้ธรรมะนี้ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากจะสงสัยธรรมะกันเท่าไหร่เลยนะถามสิผ <c oughs> ีมีจริงไหมก็ถามกันมาเลย <c oughs> <c oughs> เราเคยเห็นในความมีว่าต้องมีในความเห็นที่เราเคยเห็นว่าต้องมีพระทรูปนั่นเป็นความเห็นที่เราเห็นแบบคุ้นชินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอาตมาก็เห็นมาอย่างนั้นแต่มาที่นี่ไม่เห็นก็เลยเกิดความแปลกใจว่าทําไมไม่มีการที่เราเห็นว่าสิ่งใดมีอยู่อย่างนั้นแล้วไปเห็น ในบางสิ่งที่ไม่มีเหมือนกับที่อื่นแล้วเกิดความแปลกใจนั่นเท่ากับ ว, ว่าเรายังขาดความเข้าใจในหลักครรคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มากและก็มากเลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งต่างที่ปรากฏให้เราได้เห็นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริงเสมอไปบางสิ่งบางอย่างที่เราเกี่ยวข้อง ส, สัมผัสรับรู้ในสิ่งนั้นโดยที่ไม่ทราบเรื่องราว ในสิ่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงจะทำให้เกิดทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นเข้าไปจับยึดในสิ่งนั้นว่าควรจะมีหรือต้องมีอย่างนี้แต่พอมาเห็นแล้วไม่ไ ม, ม, มีก็เลยเอ๊ะทำไมไม่มีไม่ไมีอย่างนี้เป็นความสงสัยขึ้นมาทุกคนก็สงสัยใครใครที่ไม่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้กับอตมามาแต่ก่อนก็จะสงสัยทไมไม่มีเป็นความผสมของอตมาเองที่ ไม่อยากจะทำให้มีขึ้นทาไมาถึงไม่อยากจะทำให้มีขึ้นเพราะอาตมาเห็นว่าที่อื่นก็มีกันอยู่แล้วเต็มไปหมดแล้วก็มีเยอะแยะแล้วก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีจนจนกลายเป็นพานิชขึ้นมาในทางศาสนาเมื่อมันมีไปจนเลยขอบเขตแห่งความที่จะมี มาเลยกลายเป็นโทษแต่คนมองไม่เห็นโทษเมื่อมองไม่เห็นโทษมันก็เลยเกิดเป็นการสร้างเรื่องราวขึ้นมาในทางศาสนาที่ไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนเนื่องเพราะว่าในหลักคำสอนกล่าวสอนไว้เป็นคำตรัสจากพระพุทธองค์เองว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเราผู้ไม่เห็นธรรมถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็นคาคานี้เป็นคาบ่งบอก ให้เราได้ทราบว่าแม้จะเห็นตัวของพระพุทโธองค์เองก็ตามอยู่ต่อหน้าเราแต่ถ้าหากเราไม่ได้เหตุทมตามคําสอนที่พระสมมาสมุทรเจ้าได้ทรงสอนไว้ก็ไม่ได้ชื่อว่าติดพระองค์จักการพระองค์อยู่ร้อปีก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการกากพระอค์เพราะพระองค์ให้ความสําคัญกับธรรมด้วยความที่อาตมาได้ศึกษาหลักธํามคำสอนของพระสมมาสมุทรเจ้ามาพร้อมกับได้น้มมาสู่การปฏิบัติ และได้ไประจักษ์ชัดในหลักคำคำสอนของพระศา ม, มาผู้เจ้าแล้วเกิดความความรู้ที่บอกตนเองได้ว่าเราได้เห็นพระผูธเจ้าแล้วโดยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมโดยการเห็นธรรมนั่นเองเมื่อสามารถบอกกับตนเองได้คือไม่ได้บอกโมเมล เ, เองนะว่าเราได้เห็นผู้เจ้าด้วยความรู้สึกของตัวเองแต่เป็นการเห็นธรรมประจักษ์ชัดจึงสามารถบอกตัวเองได้ว่าเราได้เห็นผู้เจ้าแล้วว่าผู้เจ้าเป็นอย่างไร อาตมาจึงให้ความสําคัญกับธรรมเมื่อให้ความสำคัญกับธรรมวันนี้จึงเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมด้ือว่าศึกษาธรรมเพืประโยชน์เพื่อไปสู่การเพิ่มพูนบุญบุญสมและที่สําคัญก็คือสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นในจิตใน ใ, น ใ, จ, ใ, นใจของเรา <S <S เนื่องเพราะว่าจิตใจของเรานะั้นถูกความหลงเรียกว่าอาวิชชาครอบงาในจิตมาเป็นระยะเวลา ย, ยาวนานแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นน้อยมากหรือแทบจะไม่เกิดเลย บุญกุศลไม่ใช่เฉพาะมีในพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นก็กมีและก็มีก่อนมาพุทธเจ้าเพราะนั้นศาสนาของพุทธเจ้าหรือเรื่องราวของพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยความรู้ด้วยระัญญาที่พระโสดกันได้ว่านัตถิ ป, ปัญญาสมาอาภาไม่มีแสงสว่างใดเสมอแสงแห่งปัญญาอาตมาจึงจึงไม่ให้ความสําคัญในรูปวัตถุ มากไปเกินกว่าหลักทำคําสอนดังที่พรมทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงเชื่อว่าเห็นเราผู้ไม่เห็นธรรมถึงจะเห็นเราก็เชื่อว่าไม่เห็นจึงไม่ให้ความสำคัญในสิ่งนั้นพอเข้าใจนะ <c oughs> แต่ทีนี้โดยทั่วไปเราติดอยู่การกล่าวว่าลูเขาลบ ก, กันมาเป็นเวลานานะใช่ไหมติดจนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นละ่ะ คือความถูกต้องแล้วในทางศาสนาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ความถูกต้องเพราะมันมีมูลเหตุมาแต่เรื่องราวที่พระองค์ทรงตัดว่าผู้ใดเห็นครับผู้นั้นเห็นเรานี่มันมีมูลเหตุมาตั้งแต่ครั้งที่พระวคคารสมัยที่ยังเป็นฆราวาสอยู่ได้เห็นพระองค์มีรูปกายอันงดงามหน่าเลื่อมใสก็เลยบวชบวชเพราะเห็นว่าพระองค์มีรูปกายที่งดงาม น่าเลื่อมใสหน้ากราบไหว้ก็เลยบวชเพื่อไดอ้ได้ติดตามกราบไหว้พุทธเจ้าไปในทุกๆ ท, ที่ประสมเดียวก็คืออยากจะกราบพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสมีวความศรัทธาในรู ป, ปากายมากพระองค์ก็เลยเล็งอยู่ว่าเล็งเล็งด้วยพุทธยานยาณสัมพัญญพุทธญาณมากหากวัคกัลลิติดตามกราบไหว้รูปร่างกายเราด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในกายตถาคตวัคกัลลิจักไปสู่ คติสองอย่างเมื่อรักชีวิตไป1กําเนิดสัตว์ด้ชั้นสองเป็นผีปีศาจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่เพราะการยึดติดในโูกคือความเป็นพระเจ้าเนี่ยผู้อุบัติขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นหรือว่านามว่าวพุทธะเนี่ยบังเกิดขึ้นในโลกโดยธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเฉยเกิดขึ้นเพราะธรรมะหรือว่าตัวปัญญานี่ตัวปัญญาจริงจริงชื่อว่าเป็นแสงสว่างที่คอยสอดส่องสิ่งต่างๆให้ได้ประจักษ์ชัดในเหตุในผล ในความเป็นจริงอย่างนีน้เพราะเหตุที่เพราะวัค ก, การิติดอยู่ในรูปพระลบติดอยู่ในตัวของพระทองค์เองโดยที่ไม่สนใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระองค์ก็เลยว่าหากปล่อยให้วการิมัวยึดกราบไหว้รูปกายของพระองค์อย่างนี้ไม่สมควรเลยที่วคการิได้ไม่เห็นตถาคตแล้วไม่ได้ยึดถือเอาประโยชน์อันที่ควรจะได้ในทางศาสนาตถาคตก็ยังมีชีวิตอยู่ ทำตถาคตก็ยังสามารถที่จะแก้ไขจิตใจคนได้อยู่แต่จะมายึดถือเอาเพียงแค่การกราบไหว้สักการะรูปร่างกายนะไม่เหมาะไม่กวนเมื่อเขาล่าชีวิตไปจากไปสู่ทางที่ไม่ดีโพง ก, ก็เลยตัดไล่วักการิหนีวักกริเธอจงไปที่อื่นอย่าติดตามเราจะไปไหนก็ไปไล่เลยนะโพงประสงค์ที่จะแก้จิตของวักกริไม่ให้ติดในรู ป, ปกาย เาว่ากะลิก็น้อยเนื้อต่ําใจว่าพระองค์ไล่เราอุตส่าห์รับเขาลบศรัทธาเลื่อมใสพระองค์ตามศักกลากาศไหวไปในทุกๆ ท, ที่แต่ถูกขับไล่ออกจากสัมเนธน้อยเนื้อต่ําใจจนจะไปฆ่าตัวตายนั่นคือสัญญาณการยึดติดมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับความรู้สึกภายในจิตตนมันน้อยเนื้อต่ําใจหรือไม่พอใจจะขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาการยึดติดมันจะนํามาสึ่ความกูก็ทุกข์ใจน้อยเนื้อต่ําใจป้าจะไปกระโดดหน้าหาตาย ผู้เจ้าก็รู้ว่าถ้าไปกระดหน้าหาตายด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้นไปสู่คติสองอย่างดังที่ปุ่องค์ทรงเร่งยานไม่แน่นอนพระองค์จึงไปดักหน้าไว้อยู่ที่ทางขึ้นภูเขาที่จะไปกระโดดหน้าหาตายไปดักหน้าไว้ว่าคาริเธอจงมานี่ว่าคิก็เลยเริ่มใจชื้นขึ้นมาว่าเออพุทธองค์มาหาตนเองหรือเรียกตัวเองกลับก็ก็คิดว่าเ อ, อสงสัยพุทธองค์คงจะให้อาภัยเราแล้ว และที่จริงพงศ์ต้องการจ ะ, สะแสดงธรรมและชี้จุดให้วัตรลีได้เข้าใจพองค์จึงบอกวัตรลี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงชื่อว่าเห็นเราผู้ไม่เห็นธรรมเพียงเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็นเธอจงเป็นผู้เห็นธรรมเถอเพียงแค่เห็นตถาคตวัตรลี่ก็เลยตั้งจิตตั้งใจฟังฟังในสิ่งที่พงศ์ทรงตรัสถือให้ความสําคัญกับธรรมให้มากที่สุดจิตของวัตรลี่เมื่อตั้งอยู่ในธรรมที่พระองค์ทรงกล่าวสอนอยู่ในเวลานั้นก็พ้นออกจากการยึดมั่นถูมั่น ได้เป็นพระอรหันตสาวกองค์หนึ่งในพุทธศาสนาได้เป็นสังฆ์ทางศาสนาข้ามิเป็นสารณะอันเป็นเสริฐที่เราควรจะยึดถือคําว่าสังฆ์ทางศาสนาข้ามิก็คือเป็นสาระที่เราจะสามารถระลึกถึงได้ในการประพฤติปฏิบัติของสงสาวกของพระสมมาสมุริเจ้าว่าสงสาวกของพระสมมาสุริเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรในอดีตเป็นคติเป็นแบบอย่างเป็นปฏิปทาที่เราจะสามารถยึดถือดําเนินตามได้แต่เนื่องจากว่าเราไม่เห็นภาพ ของสงสาวกแต่อดีตการว่าท่านไปปฏิบัติกันมาอย่างไรเราเห็นแต่ภาพเรื่องราวที่ขนทมทำเนียประเพณีสังคมนิยมที่กําลังเป็นอยู่จากพุ่หลวพ่อแม่ปู่ยา่าตายายพาทากันมาเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ชินอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นจนเข้าใจว่านั่นคือความถูกต้องแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราก็เลยทําตามแต่การทําตามอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นการทําตามในหลักของปฏิปทาของสงสาวกของสมมาสุติเจ้า เพราะนั้นเป็นเพียงแค่การทำตามขนบธรร ม, มโวเปอร์เีที่เรียกว่าพิธีกรรมอาตมาพยายามจะดึงพุทธศาสนิกะชนผู้หวังประโยชน์จากศาสนาอันควรจะได้ที่เหนือกว่าบุญบุญสนอันนั้นก็คือธรรมหรือว่าสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมและที่สำคัญที่สุดคือบิบุติธรรมหวังจะให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนผู้หวังความผนทุกจึงได้กระทา หลักการนี้และปฏิปทานี้โดยยึดถือเอาอริยสง์สาวกแต่ครั้งพุทธกาลศึกษาเราเรียนปฏิปทาของท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสปะพระอานนท์พระ อ, อนนท์นี้เป็นตัวอย่างอดีในเรื่องของการสักการะบูชบูชาพระศรีมหาโพธิ์ที่อธมาพาธรรมายูคลิปก็เห็นนั่นคือเรื่องราวที่เรายึดถือเป็นแบบอย่างได้นั่นคือสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็น ที่เป็นสารณะที่เราควรจะระลึกถึงระลึกถึงว่าท่านทํามาอย่างไรแต่ครั้งพุทธกาลเหมือนกับการถวายทานอย่างเมื่อเช้านี้อาตมาเอาแบบพิธีนี้มาจากไหนก็มาจากครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลเขาถวายทานกันอย่างนี้นนให้ทานในอุทิศให้ทานในอุทิศเพราะนั้นบทธรรมที่บอกว่ายถาบริวะหาภูราก ร, ร, ริภุเรนติสาขังจึงเป็นบทที่กล่าวสอนให้เรารู้จักอุทิศส่วนกุศลในขณะที่ได้ให้ทานไม่ใช่คําให้พรเขาเราเข้าใจว่าพักให้พรแล้วก็ ปวด น, น้ำอะไรทำนองนี้นั่นนั่นคือความเข้าใจแบบอย่างของสังคมที่เขาพยายามกระทาแบบอย่างในด้านพิธีกรรมให้เราได้ทำต่างแต่เราไม่รู้ความหมายในการการะทำอย่างนั้นเมื่อเราไม่รู้ความหมายการยึดถือตามจึงกลายเป็นความหลงผิดและความหลงผิดนี้เองจึงกลายเป็นความง่งงายอาตมามองเห็นลักษณะที่มันไม่อยู่ กับล่องลอยในหลักคาสอนของพระศามาพุธิธเจ้าโดยแบบวิธีทางพิธีกรรมนี้จึงได้พยายามดึงคนออกจากพิธีกรรมเข้ามาสู่หลักการปฏิบัติตามหลักคําสอนที่เท่าที่ควรจะบอกได้แนะนําได้สอนได้ก็จะบอกแต่ในส่วนที่บอกแล้วยอมรับไม่ได้จะยึดถือแต่พิธีกรรมเป็นหลักก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะ ก็เข้าใจว่านะัคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังในวิถีชีวิตเรามาเป็นระยะเวลา ย, ยาวนานแล้วมันแก้ยากอาตมาทราบดีว่าการยึดติดนั้นเป็นสิ่งที่แก้ยากมากเลยยากมากที่สุดและการสอนพ้นให้ออกจากการยึดติดนี้ก็ยากไปใหญ่เพราะการสอนพ้นนี้มันมันไม่เหมือนใจเราคือใจของเขาเขาติดอยู่กับอะไรก็คือส่วนในการติดของเขาเขาต้องแก้ของเขาเองเพราะใจของเราเราก็แก้ของเราแล้วเราแก้ของเราเสร็จเรียบร้อยแนละ้ว เราถึงจะสามารถบอกสอนให้คนอื่นเขาแก้เขาพอใจใจะแก้เขาก็ได้รับประโยชน์ของการแก้เขาไม่พอใจที่จะแก้เขาก็ไม่ได้ประโยชน์จากการแก้ให้เข้าใจว่าศาสนธรรมคือสาระสาคัญมากกว่าศาสนวัตถุศาสนวัตถุจะสร้างยิ่งใหญ่โตโม โ, โหลานแค่ไหนก็ตามก็คือการก่อสร้างด้วยวัตถุและศาสนวัตถุเหล่านั้นถึงคราวเสื่อมสลายพังพลายไป ก็ถึงขราวพันธลายไปแต่าศาสนธรรมหากบังเกิดขึ้นในจิตในใจใครแล้วไม่มีการเสื่อมและจะนำบุคคลผู้ได้รับคุณค่าทางาศาสนธรรมนั้นไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอบนี่คือเส้นทางของศาสนาที่เป็นเป้าหมายที่วงทรงวางหลักการาศาสนาไว้เพื่อให้เราได้ปฏิบัติพุทธเจ้าจึงําชักพุทธสาวกไว้เสมอว่ากรรมนาวัตติโลโกชีวิตเป็นไปตามการกระทาการกระทาคือสิ่ง ที่จะเป็นเครื่องบงการชีวิตหรือควบคุมชะตาชีวิตเราเราทําอะไรสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นเครื่องผักดันชีวิตให้เราได้ไปรับการอํานวยผลในสิ่งที่เราได้กระทํานี่คื อ, อหลักคําสอนที่คอยบอกคอยสอนเรื่องเราเหตุผลให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบธรรมะจึงเปิโอกาสให้พวกเราได้ได้เรียนรู้ได้ทําความเข้าใจทุกๆคนที่เข้ามาที่นี่ ให้สามารถถามปัญหาทางขับกับอาตกลกับมาได้มีอะไรจะถามอีกไหมยังไม่มียังถามยมพิจารณา6ขั้นตอน ยินดีอยู่ในความว่างเปล่ายินดีแบบไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีของเรา <c oughs> ของเขาไม่ไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีอะไรแต่ยินดีอยู่ที่แม่ถึงไม่อยาหรือว่าจิตหลงพระอาจารย์ก็เราก็ต้องเข้าใจว่าหากเมื่อใดที่กรรมฐานที่เราปฏิบัติยังไม่สามารถส่งต่อไปถึงตัวปัญญา ซึ่งตัวปัญญาจะนําจิตของเราเป็นตัวหลุดพ้นได้เราก็อย่าหยุดอยู่เพียงแค่ความยินดีในความบ้างเปล่าความบ้างเปล่าที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนั้นมีไว้เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการรับรู้อารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสกับจิตเพื่อให้เห็นอารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสกับจิตเกิดและกระดับเกิดจากความว่างและกระดับลงไปในความว่างโดยเอาความว่างเป็นพื้นฐานของการมองอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิต ยาหวงแหนจิจยาปกป้องจิตแต่ให้อาศัยความว่างที่เราเข้าถึงนี้เป็นที่ตั้งแห่งการมองอารมณ์ที่เกิดกับจิตและระดับลงไปในจิตเราก็จะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับการเกรดิดการดับของอารมณ์ทั้งปวงโดยที่ยังมีจิตว่างอยู่ตัวเนี้จะเป็นตัวก่อให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นแค่การสร้างกรรมาฐานขึ้นมาความว่างยังไม่ใช่ที่สุดของการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นต้นให้จิตของเรามีพื้นฐานข้องกลาง มองทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากความว่างแล้วก็ดับลงไปในความว่างแต่เจ็อีกเจ็หนึ่งไม่อยากจะไม่อยากจะรับรู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราเปนผิดเด็ดคุกผิดอยากยังไงยังไงคิดอยากว่ายินดี่เองจุดนี้ที่มาล่างกายอย่ากไปรักษาความว่างไว้การรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นชื่อชื่อว่าเป็นความทุกข์ใหญ่ ก่อนที่จะเจ็บคอเป็นอะไรมาก่อนเป็นทอนซิลอส๋อเป็นทอนซิลไปนอนลงมาแล้วออกมานะก็ เ, กเปี่ยนเรื้อราวมอยู่เรืยภูมิคุ้มกันต่ำพระเจ้าบอกว่าสาเหตุ ม, มูลเหตุของโลกสมุทรฐานของโลกมีอยู่แปดประการมีดีเป็นสมุฏฐานมีเสมหะเป็นสมุฏฐานมีลมเป็นสมุทรฐานมีทั้งดีทั้งลมทั้งเสมหะรวมกัน ท, ทั้งหมดเป็นสมุทฐานแล้วก็มีการ การเคลื่อนไหวอิริยาบที่ไม่พอเหมาะพอควรเป็นสมุฐานคือนั่งนานก็ป่วยได้นอนนานก็ป่วยได้ยืนนานก็ป่วยได้เดินนานก็ป่วยได้คือบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอก็สามารถก่อให้เกิดเลือดลมติดขัดและเกิดความเจ็บป่วยได้แล้วก็มีกรรมเป็นสมุธานคือลักษณะของโรคที่จะเกิดขึ้นอันนี้รู้อยู่แล้วนว่าเป็นตอมทอมซินนั่นแสดงว่าสาเหตุที่แท้จริงก็คือมาจากการ ดักจับเชื้อโลคภายในต่อมทำซีนของเราเนี่ยเราปูงปุ้มกันออดแอนเราก็ต้องไปแก้ไขที่ปูงปุ้งกันให้แข็งแรงขึ้นแนวทางในการปฏิบัติของอา จ, จาราย์กรรมฐานยังไงท่าดกรรมฐาน4ี่ใช้ท่าดกรรมฐานสเพื่อปฏิบัติในการรู้กายโดยความเป็นจริงโดยความเป็นธาตแล้วก็เมื่อเรียนรู้ท่าดกรรมฐานสีเข้าใจแล้วเข้าไปเรียนรู้เรื่องของขันห้า พอเรียนรู้ของขัน5เข้าใจแล้วพิจารณาขัน5ให้เห็นอาการเกิดและอาการดับใช่เป็นวิปัสนา <c oughs> ก็คือทั้งสมถานทั้งวิปัสนาไปด้วยกัน <c oughs> หากจะสอบถามว่าสายการปฏิบัติอาตมามาจากไหนอาตมาได้มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของผู้คำสุขยานสิโผตั้งแต่ปี2543ผู้คำสุกยานสโผลเป็นลูกศิษย์ูกภูขาอนานาจัย น้องปูขาวอนานโยเป็นลูกศิษย์ของหลวง ป, ปู่มั่นปูริทธโตสายการปฏิบัติที่อาตมาสืบสายกันมาก็สืบสายกันมาอย่างนี้แต่อาตมาจะฉีดแนววงกรรมฐาน ท, ทั่วไปคืออาตมาจะดึงคนเข้ามาสู่ธรรมมากกว่าที่จะไปดึงคนให้อยู่กับวัตถุวัตถุธรรมไม่ใช่ว่าไม่มีความสำคัญนะ มีความสําคัญก็ก็ให้มีความสําคัญอยู่ในความพอดีอย่าให้มันเกินเลยไปถ้าเกินเลยไปมันก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีจึงไม่เห็นประโยชน์มากในส่วนของวัตถุธรรมเอาเท่าที่พอดีพอได้เท่าที่พอเป็นพอไปเพราะทุกอย่างมันก็จะมีทั้งโทษทั้งประโยชน์วัตถุที่เป็นโทษก็มีวัตถุที่เป็นประโยชน์ก็มีแต่ทั้งที่เป็นโทษและเป็นประโยชน์หากเรายึดติดไว้มันก็มีโทษเท่าเทกัน เคยปฏิบัติก ร, รมฐานกันมาไห ม, ไมเคยอยู่นะนวิปัสนาวิปัสนาก็เป็นก ร, รมฐานส่วนก ร, รมฐานหนึ่งสมถะก ร, รมฐานวิปัสนาก ร, รมฐานแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าก ร, รมฐานที่จะนำประโยชน์ให้เข้าถึงผลสำเร็จในเรื่องของการดุพคลได้ ต้องใช้ทั้งสมถะกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานพวกคู่กันไปพวกจึงบอกว่าบุคคลใดก็ตามจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวควรหาครูอาจารย์หรือใครก็ได้ที่สามารถแนะนำให้เราตั้งอยู่ในสมถะกรรมฐานได้ให้ไปหาผู้นั้นบุคคลใดก็ตามที่จเจริญสมถะกรรมฐานอย่างเดียว ควรแสวงหาบุคคลผู้แนะนําหรือสามารถบอกวิปัสนากรรมฐานให้กับตนได้ควรแสวงหาอย่างนั้นคือจะทําอย่างเดียวอย่างหนึ่งโดดโดดไม่ได้ต้องต้องใช้ทั้งสองเน่าสองทางและบุคคลใดก็ตามผู้ทั้งเจริญสมถะและวิปัสนาควบคู่กันอยู่ผมบอกว่าพึงเจริญทำคือสมถะและวิปัสนานั้นให้ยิงย่งขึ้นไปเพราะสมถะวิปัสนาที่เกื้อกูลกันอยู่จัดทําให้เขาเข้าถึงทำอันเป็นที่ผลทุกได้ นั่นเท่ากับว่าหากใครจเจริญทั้งสมาถะาและวิปัสนากรรมฐานไม่ต้องไปหาใครเลยอาศัยสมาถะกับกรกรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานที่ทําอยู่นั่นแหละจะเลิญให้ยิงย่งๆขึ้นไปจะสามารถเข้าถึงทำอันเป็นที่พ้นผู้ได้และที่อาจรมาสอนนี่คือทั้งสมาถะาและวิปัสนาอยู่ในนั้นนะอยู่ตัวไม่ต้องไปหาที่ไหน เอาความรู้สิถามก็จะได้ความรู้ในทางศาสนาจิตมันก็ไม่นิ่งอยู่แล้วจะให้จิตนิ่งไม่มีใครสามารถทําจิตให้นิ่งได้จิตมันไม่นิ่งอยู่แล้วมันเรื่องปกติ <c oughs> พระเจ้าบอกแล้ว <c oughs> จิตประดุดดังวานอนวานอนมันนิ่งนิ่งอยู่ได้ไหมล่ะ <c oughs> ไปจับวานอนมาให้อยู่นั่งอยู่เฉยเฉยอยู่ที่เฉยนะมึงอย่ากระดุดกระดิกนะวานอนมันจะอยู่ได้ไหม <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงห้า <c oughs> นาทีมั้งหรือนาทีนึงก็ถึงอยู่มั้ง เหมือนการจิตก็เหมือนวานอนเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องของจิตมันจะนิ่งหรือไม่นิ่งเป็นเรื่องของจิตแต่เรื่องของเราคือรู้จิตตามความเป็นจริงรู้เรื่องของวานอนว่าเป็นวานอนมมไม่ใช่ตามกำหนดมไม่ใช่ตามรู้ก็รู้มันเลยว่าลิงคือลิงนะก็รู้มันเลยว่าจิตก็คือจิตอย่าไปดึงมันไว้อย่าไปควบคุมมันไว้อย่าไปบังคับมันไว้ก็รู้ว่ามันคือจิตจะคิดจะปรุงแต่งจะ ไม่อย <Ps> <ci> ู so right. right. so so ่กับตัวจะไปไหนก็ไปไันก็เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราคือ้รูแล้วก็บอกว่าเอาแล้วบางทีจิตมันไปนาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นโทษให้กับเราเราจะทําไงก็รู้โทษโดยความเป็นโทษรู้ประโยชน์โดยความเป็นประโยชน์แล้วสลัดออกคุยเจ้าพระย์อย่างงั้นน่ะพระองค์ทรงบอกว่ารู้โทษโดยความเป็นโทษรู้ประโยชน์โดยความเป็นประโยชน์ประโยชน์ของจิตก็มีโทษของจิตก็มีประโยชน์ของลิงก็มีโทษของลิงก็มี รู้โทษโดยความเป็นโทษ อ, อ๋อโทษมันเป็นอย่างนี้อ๋อประโยชน์เพราะมันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่ามันมีประโยชน์นะประโยชน์ทำยังไงประโยชน์ก็ควรจะเจริญขึ้นโทษเป็นยังไงโทษก็ควรละก็แค่นี้ก็เราก็สามารถสลัดออกจากความวุ่นวายที่เข้าใจว่าจิตเป็นธรรมชาติที่วุ่นวายอยไปจับจิตให้มันอยู่นิ่งๆถ้าใครไปจับจิตให้อยู่นิ่งๆคนคนนั้นแหละคือคนที่กําลังเปลี่ยนธรรมชาติในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นตามความอยากของตัวเอง ก็คือไปสร้างความอยากขึ้นมาเฉยๆความอยากเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์อย่างหนึ่งคือไปทุกกับอาการของจิตว่าเมื่อไหร่มันจะนิ่งเมื่อไหร่มันจะนิ่งว่าเงี้ยอุตสาห์จำให้มาอยู่กับกายแท้ๆยังไม่ยังอยู่ไม่ได้อะไรโอเคเนี้ยก็ทุกข์เปล่ก็รู้ความเป็นจริงของจิตว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นของมันนะเข้าใจเดี๋ยวมันก็จะสงบของมันเองการที่เรารู้เรื่องของมันอ่ะมันจะอยู่ภายใต้อํานาจแห่งการรู้เองแต่พอเราไม่รู้เรื่องของมันมันเลยไม่อยู่อํานาจใต้อํานาจใคร จิตมันกลัวยอย่างเดียวคืออำนาจของความรู้ถ้าเรารู้เรื่องของจิตพอมันจะอยู่ในอำนาจเราเยอะถ้ามันอยู่ถ้าเรารู้จักลิงพอลิงจะอยู่ในอำนาจเราแต่ไม่ใช่อยู่อำนาจโดยการนิ่งนะ <c oughs> ก็อยู่ด้วยอำนาจโดยสามารถสั่งการมาได้ลิงเขาามาเก็บมะพร้าวได้ไหม <c oughs> โหมันขึ้นมะพร้าวแต่ละทีเ อ, เอาลูกมะพร้าวลงคนที่เขาฝุกลิงละคอนลิงก็ก็จะเอาไฝึกไปได้ มันก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะแต่เขาก็ฝึกได้ให้อยู่ในอำนาจได้เพราะรู้เรื่องของมันไงรู้เรื่องที่จะฝึกมันผู้เจ้าก็สอนให้เรารู้เรื่องของจิตเพื่อที่จะฝึกจิตแต่ไม่ใช่จับจิตให้มันอยู่นิ่งๆแต่ให้รู้เรื่องของจิตให้เข้าใจนะ จิตดวงใดดับไปแล้วจิตดวงนั้นก็ดับไปโดยไม่เหลือจิตที่ดับไปโดยไม่เหลือก็คือไม่มีเหลือทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าทําไมเรื่องราวที่่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วยังสามารถปรากฏกับจิตได้อีกครั้งหนึ่งตรงเนี้ถ้าบอกว่ามันดับไปมันก็น่าจะไม่เหลือคือไม่เหลือทําไมมันยังผุดปรากฏขึ้นมาได้เป็นเรื่องเป็นราวในจิตในใจบางครั้งก็ตกทุกข์ก็เศร้าแล้วก็เสียใจหรือดีใจหรือสุขใจแล้วก็แล้วแต่ หลังนั้นเรื่องราวที่มันล่วงไปก็มาปะตุกับจิตอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้จิตเราเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นเพราะเรายังไม่เห็นการดับไปอย่างแท้จริงของจิตเราเพียงแค่มีความรู้ความเข้าใจว่าจิตเกิดและวก็ดับไปแต่เรายังไม่ได้เห็นหากเราเห็นอาการของจิตที่ดับไปพร้อมกับอารมณ์ในคราวรนั้นมันก็จะดับโดยไม่เหลือจริงๆแต่เนื่องเพราะว่าเราไม่ได้เห็นอาการดับ ดับจริงคือเห็นคือเห็นสภาพของจิตกับอารมณ์ดับลงไปพร้อมกันเราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นเราก็ไม่ได้รู้รู้ความจริงของจิตก็เลยไม่ได้รู้จิตตามความเป็นจริงและเมื่อไม่ได้รู้อารมณ์ที่ดับลงไปพร้อมกับจิตมันจึงสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติของจิตดวงเก่าไปสู่จิตดวงใหม่พ <c oughs> อเข้าใจไหไ ม, ไ เ, มหเหมือนกับจิต ขณะนี้หากมีความโกรธอยู่ขณะที่โกรธปุ๊บมันก็ดับลงไปนะแต่มันถ่ายทอดคุณสมบัติของความโกรธไว้เพื่อให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เราจึงเข้าใจว่าอารมณ์ต่อนี้มีอยู่เหมือนกับการตีระฆังตีตีระฆังมันมันอันนี้มันกระโโตกไม่ใช่ระฆังนีคือเวลาเราตีระฆังเสียงเสียงตีมันจะดังแป้งทีเดียวใช่ไหมแต่เสียงควนทางของระฆังมันจะดังหง ที่เหลืออยู่นั้นว่ามันยังมีอยู่พอเข้าใจไหมที่แท้แล้วมันมันไม่ได้มีอยู่มันเป็นเพียงแค่ผลมาจากการถูกกระทบจิตถูกกระทบอารมณ์เมื่อคราวครั้งก่อนมันส่งผลคล้ายกับเสียงควรของระถางดังงางถ้าไม่ตีอีกก็คือดับอยู่แค่นั้นก็สุดท้ายก็จะจางคลายจางคลายจางคายจนถึงสลายไปจริงๆและเราไม่เห็นสภาพอาการแห่งการดับสลายไปอย่างนี้จริงๆ ต่อหน้าต่อ ต, อตาเราไม่ได้เห็นคือเราไม่ได้รู้จนที่สุดแห่งกระบวนการของผัสสะที่กระทบแต่ละคั้งเมื่อเราไม่ได้เห็นขณะแห่งการดับที่แท้จริงเราหลงเข้าใจอาการที่ยังคงเหลืออยู่เป็นคุณสมบัติผลจากการถูกกระทบละฆังที่ถูกตีเป้งทั้งเดียวก็กหมดแต่เมื่อเราหลงยึดจับอารมณ์ที่มันเหลือต่อค้างอยู่มาเป็นปัญหาก็เลยเอามาปรุงแต่งปรุงแต่งก็เหมือนกับไปตีละฆังซ้าอีก ให้มันดังงางงางงา ง, งางอยู่นั่นน่ะเรื่องราวเหล่านั้นก็พูดเกิดขึ้นในใจอีกครั้งแล้วลนนล ท, าาทั้งเล่าเพราเราไม่เข้าใจอันนี้แหละทําให้คนติดอยู่ในวัตฏะที่ยืดยาวนานเพ่ออย่างนี้เพราะไม่เข้าใจอันนี้อาจารย์ฮะอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งใต่ดูประเด็นน้องเนี่ยเป็นประเด็นที่ว่ามันมีคนตายใช่ไหมแล้วก็ยังมาวนเรียนอยู่ อันนี้ประเด็นของอาจารย์ก็โอเคประเด็น อ, อาา๋ออันนี้พูดถึงเรื่องจิตจิตคนจิตแล้ว<ร>กันคุณพระอาจารย์พูดเรื่องจิตแต่น้องเนี่ยเขาพูดเรื่องของคนตายที่ท้าทาเขาแล้ว ม, มารบกวนเขาอันนี้จะทำยังไงบีวิธีการจะทำยังไงพุทธเจ้าบอกว่าเวนยอมรังับเพืการไม่จองเวนทำไงถึงจะให้เขารังับได้ขนาดมีชีวิตอยู่ยังรังับไม่ได้เลย ายไปตายไฟแล้วจะรับได้ยังไงผู้เชา่าบอกว่าอาศัยอาํานาจพระรันาตนตรัยเป็นเครื่องช่วยเพราะดวงจิตดวงใจทุกดวงจะยินยอมต่อนพระรันาตนตรัยนอกเสจากดวงจิตบางดวงที่เป็นมิจฉาทิฐิอยู่แล้วที่ไม่ยอมต่ออาํานาจพระรันาตนตรัยอันนั้นพลวากันอีกทีหนึ่งมันมีวิธีการที่ที่ที่ท พิเศษที่ผู้ได้เจ้าสูงแนะนำให้ทำอยู่เขาเรียกว่าปริศทำอรทการปกปริตคือป้องกันต้านทานและอะไรคุ้มครองตัวเราให้พ้นจากการก่อควนและเบียดเบียนอันนั้นเรยียกว่าปริตภักปริตแต่อั น, อนเบื้องต้นนี้ต้องอาศัยอำนาจพระราชณาไตแล้วขอเข้ามาคือตั้งกิจเข้าถึงอำนาจ พระพระธรรมผสมฆ์บรรดาลการขอขมาของเราให้ถึงกับเขาแล้วบอกการกล่าวขมานี้อยู่เสมออยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยติดต่อกันเจดวัน เ, เพื่อลดถอนสัญญาณความไม่พอใจความปวดแค้นความที่เป็นเบรเป็นกรรมต่อกันมาก่อนลดสัญญาณกันอย่างนั้นลงพอลดสัญญาณเข้าใจไหมนึกมาถามเรื่องจิตเกี่ยวกับจิตกรรมาฐานนี่ไ ก็คุยกับเพื่อนก็มาทานกันอยู่อ๋อจิตที่ร่วงไปแล้วคือตายไปแล้วนะนะอันนั้นคือจิตที่ยังหลงอยู่ยังยึดมีกายสังขารยังเป็นดวงจิตดวงใจวนเวียนและสัญญาณที่บัวพันเกี่ยวกับเรานั้นยังวางไม่ได้ยังละไม่ได้นี่แหละการตายของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าฝังใจแค้นอยู่กับเรื่องใด จิตก็วนเวียนอยู่กับเรื่องนั้นมันเป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งเป็นวิบากกรรมของเขาด้วยและเป็นส่วนเกีย่ยวโยงที่เราการทํากรรมวิบากกับเขาด้วยทั้ง2 ส, ส่วน <c oughs> เขาก็ชดใช้กรรมของเขาในวิถีอย่างนั้นถามว่าเขาอยากเป็นอย่างนงั้นไหมบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเป็นเขาก็อยากจะเป็นสู่สุขติแต่เนื่องว่าจิตที่มันขัดข้องอยู่ภายในใจของเขาก่อนตายเขายังไม่สามารถวางได้ มันก็เลยดึงเขามาสู่วิธีการของการชดใช้เวรกรรมกันอย่างนี้นแล้วที่เราเคยทำบุญไปให้เขาหากมีความโกรธแค้นอยู่อุทิศบุญไปเท่าไรเขาก็ไม่รับ<ม>เด็กดองให้มันโกรธเราดูสิเอาอะไรไปให้มันก็ปัดทิ้งออหมดเลยเไหมเท้ายัางเราอีก<ม> <c oughs> เด็กอยู่แถวกุฏิบริเวณกุฏินั่นะนะอยู่เจ็ดวัน ก็เห็นกันอยู่ตลอดเขาบอกเอาไปทําไมไม่ไปอยากจะเฝ้าอยากจะดูอยากอยากจะดูอ่ะก็ดูก็มองอาตมามีแต่มองมองมองเอ๊ะมองเราตลอดจะไปเดินชมกลมก็มองนอนอยู่ก็มานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มองเขาเฝ้าดูเราขนาดนั้นน่ะเป็นยังไงนั้นอ่ะ3เดือนนีเฝ้า3เดือนแล้วก็ยังไปไม่ได้ไงติดอันนี้อาตมาสามารถส่งให้ไปได้ไง พอค้นจัดเก็บวันแล้วโอโหไปแล้วถามหาทีนึงไม่อยากจะกลับมาไม่รู้ไปไหนสวยสุกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โน่นหยุดเกือบปีนั่นถึงจะโผล่มาทีนึงมาซะยังแกวเลยนะพ่อตอนนี้น่าจะได้ไปเกิดแล้วก็ไม่รู้แล้เห็นเงียบหายไปนานนี่ อย่างหนนะงยพนระตัวเส้ไปยุ่งกับแม่ทั้งฝ่ายรับทั้งฝ่ายช่างจะตกอยู่ในวงจรกระแสแห่งความกระแสแห่งจิตและอารมณ์ทั้งฝ่ายรับฝ่ายช่างหนีกันไม่ไกลรักชีวิตไปใครว่าจะไปสู่โลกหน้าแลวไป ไปได้ไปดีไม่มีทางหากกระแสจิตยังเกาะเกี่ยวกันอยู่ mm hmm. ที่เขาบอกว่ายึดติดอะไรไปอยู่กับอ น, นั้นมันเป็นความจริงทางนั้นกูโสมเฝ้าทัพย์งูเหลืองเฝ้าสมบัติไม่ใช่เรื่องเ่าเป็นเรื่องจริง mm hmm. เพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นสิ่งที่ระวังมากต้องฝึกฝนให้มาก mm hmm. ถ้าไม่ยอมฝึกฝนให้ออกจากการยึด mm hmm. ไม่ให้อารมณ์ครอบงำนี้ถ้าไม่ฝึกฝนจิตมันมันหนักมากนะ mm hmm. จะ บ, บุญเยอะแค่ไหนก็ mm hmm. ก, ก็เป็นบุญที่ยังเกาะเกี่ยวอยู่ยัง ยังพัวพันอยู่ไปไหนก็ไปได้ไม่ไกลไปโน่ไปสู่เทวโลกแต่สัญญาณจิตยังนึกถึงกันนึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งวิมานก็จะลดลงลงลงลงลงลงจนมาอยู่ใกล้คิดถึงกันมากเป็นอย่างนั้นการที่เราอยากทราบว่าเขาต้องการอะไรที่เกี่ยวข้องกันไหมคะหือว่าเราควรจะอุทิศุญให้เป็นพุทธเจ้าบอกไห้เราเราให้เรารู้แบบ คล้ายๆกับว่ารู้ตามคําสอนรู้เจ้าเลยเลยบดไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากมายโกวบอกว่ า, วาบุญเท่านั้นเป็นเครื่องดำรงชีพของผู้ที่รักชีวิตไปนอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับตัวบุญเน่ทรัพย์จะ ก, กองเพนินเทินพึ่งแค่ไหนก็ตามไม่สําคัญเท่ากับบุญหรือความห่วงใหญ่บางอย่างที่เขายังมีความห่วงใหญ่อยู่ว่าญาติจะทําสิ่งนี้ให้กับเราไหมคนนั้นจะทําสิ่งนี้ตามที่เราได้สั่งการไว้ไหม ใจยังกังวลแลืห่วงยายอยู่ว่าเขาจะทําตามที่เราบอกไหมก็ไปไหนมาได้อีกก็เหมือนกันเนี่ยเฝ้าดูว่าจะทําตามที่ตกปากรับคําให้กับญาติกับเขาพอไว้ก่อนตายไหมก็มีจนกว่าเขาทาไว้ก่อนทําไม้ให้ก่อนตายก็ไปสบายเหมือนกับยายคนหนึ่งสั่งลูกหลานว่าเผาศพให้ทําตามแบบที่พระ อ, อาจารย์ต้นสอนอุทิศบุญให้อย่างนั้นกระดูกก็ฝังดินเขาเขาสั่งการไว้อย่างนั้นลูกก็รับปาก เรียบร้อยจะทำตามนั้นพอเอาจริงๆความเห็นไม่รู้ม า, าจากไหนของญาติพี่น้องต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบโน้เตอร์เคนี้ต้องเป็นแบบนี้ก็ทำกันไปเสร็จสิน้นจนถึงจนถึงคราววันเก็บกระดูกเอากระดูกใส่หม้อดินเนปิดฟ้าด้วยผ้าขาวใน่ไหมล่ะพิธีที่เขาทำมาอนี่ยปรากฏว่าไอคนคนที่ทำที่ทีเก่านะอุ้มอันนี้ไปสะดุดอะไรล้ม หมออให้ก็ดูนีดแตกโผ๊่ออกมากระตุยกระจายหมดเลยแล้วไปเข้าฝันบอกไปเข้าฝันลูกหลังบอกทําไมบอกสักงให้ทาตามที่าอาจารย์ต้นสอนทําไมไม่ทําน้อนขนาดนั้นก็ยังมีก็เลยสุดท้ายเข้ามาฝังนี่นก็ดูจากนั้นก็ไปสบายอย่างนี้ก็มีนะน่นี่เรื่องอย่างนี้ครับ จิตที่ขัดค้องนี่สาคัญมากจิตเราเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคล่องอยู่กับอารมณ์แล้วโอ้โหมันค้างกันอยู่น่ะข้ามวันข้ามคืนข้ามปีข้ามภบข้ามชาติอ่าพระเจ้าบอกข้ามเลยนะตายขณะนี้อารมณ์แห่งจิตที่ค้างอยู่นี่ยังสามารถดึงใจให้เรากลัวฟันและบทเวียนอยู่เขากับเราแม้จะตายไปแล้วตีไก่กันเลยโดยเฉพาะเมื่อตายไปแล้วเราไม่เห็นเขาเขาเห็นเรานี่เสียเปรียบ จะมาเมื่อไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะมาทุกคืนมาทุคืนนันหล่โอ้โหลูกน้องครับปลูกน้องอาจารย์รางกายร่างกาหากทำาทงานจะไม่ไหวกาคืนก็จะทวนเปนตลอด่แกไขยอาจารย์ไม่ไรไก็ได้ทำไมจะไม่ได้ก็เดี๋ยวก็แก้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็ให้เสร็จเป็นเรื่องนี้ก่อน โน่นโน่นโน่นโน่นโน่นตัวแข็งดี เคยเคยตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นยังไงก็จะแสดงอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ต้องเดินทางต่อไหมหรื อ, อยังไงจะฟังต่อหรื อ, อยังไงนะไปไล่ชุยฟงน ะ, นะอ่าแล้วก็ขอให้เดินทางไปเที่ยว สวัสดีภาคจะได้เป็นอะไรอีกเนี่ถือว่าเพาะที่ระหวา่างทางบดแล้วก็บดไปแล้วเนาะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่าน ขอบคุณนะคะ